Thank mm -hmm. you. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติพระสัต ธ, ธรรมทุกท่านวันนี้ก็พบกับรายการธรรมะส่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้โดยได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ของทางสถานีทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์แก่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้มีโอกาสนำธรรมะมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับวันนี้ธรรมะที่จะให้สาธุชนได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติก็เป็นธรรมะบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีผู้ที่เป็นวิทยากรประจำรายการกล่าวถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณนี้ท่านเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมสู่สันติในยุคแรกๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมา และภายหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บรประชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2529แล้วคณะสิทธ์ก็ได้ดำเนินกิจกรรมดำเนินรายการธรรมสุสันติโดยมีพระเดชพระคุณท่านเป็นวิทยากรประจำรายการของเราเราจะได้ยินได้ฟังเสียงของหลวงพอ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเป็นประจา ท่านใดที่ติดตามรับฟังเป็นประจำก็จะได้รับฟังข้อธรรมะทั้งหลักปริยัติหลักปฏิบัติและผลของการปฏิบัติซึ่งหลักธรรมทั้งสามประการนี้จะต้องศึกษาควบคู่กันไปวันนี้จะขอเชิญสาธุชนทุกท่านมาศึกษาในส่วนของศีลธรรมขั้นพื้นฐานคือเบญจศีลเบญจธรรม ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บรรยายในการอบรมเยาวชนที่วัดหลวงพระสดธรรมกายรามได้รับฟังกันซึ่งเป็นธรรมะสำหรับเยาวชนผู้ใหญ่ก็ฟังได้เพื่อที่จะได้นำธรรมะนั้นไปบอกกล่าวแก่บุตรหลานของเราที่กำลังเป็นเยาวชนชายหญิงให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณงามความดีจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจทุกท่านมาตั้งใจ รับฟังธรรมบรรยายเรื่องเบญจศีลเบญจะธรรมจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยพร้อมกันนาบัดนี้หลวงตานะีไม่ใช่หลวงป่านะเพราะว่าพวกเรานี่คงไม่ใช่รุ่นลูกกับรุ่นหลานรุ่นหลานนะเพราะฉะนั้นก็หลวงตาไม่ได้มาสลายวัน ก็เพราะว่าต้องไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาขอมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่สามแล้วเขาก็ขอล่วงหน้าไปอีกเรื่อยๆขยายยาวไปเรื่อยๆ จนต้องำจำกัดสาเหตุที่หลวงตาไปเผยแพร่ธรรมะในต่างประเทศด้วยก็เนื่องด้วยว่าธรรมะปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าใครได้ปฏิบัติ เข้าถึงรู้เห็นและเป็นทราบซึ่งเป็นเป็นอะไรเป็นพระรัตนตรัยด้วยตัวเราเองและทราบซึ่งในคุณของพระรัตนตรยัยแล้วจะเห็นว่าธรรมปฏิบัตินี้มีผลดีแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก และเมื่อมีผลดีแก่ผู้ปฏิบัติในแต่ละหน่วยของสังคมตั้งแต่สังคมย่อยตั้งแต่ในครอบครัวของเราไปถึงสังคมใหญ่อย่างนักเรียนก็ในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยสังคมในวงงานแล้วก็สังคม ของประเทศชาติไปถึงสังคมของโลกยิ่งมีผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าออนี่เท่าไรยิ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลมีสติคำว่าสติเนี่ยคือความรู้สึกตัวมีความคิดรอบครอบ ด้วยปัญญาที่รู้ว่าทางนี้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตส่วนทางนี้ถ้าปฏิบัติไปแล้วจะถึงซึ่งความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีสติก่อนคิดพูดทำหรือว่าขณะนั้นสติไม่ทันได้คิดก็ไปคิดได้เอาไอตอนที่กำลังคิดหรือกำลังพูดหรือกำลังทำก็ยังดีพอจะแก้ไขทันหรือว่าในขณะ ที่กำลังคิดพูดทำอยู่สติยังระลึกไม่ได้ภายหลังที่ได้คิดได้พูดได้ทำไปแล้วยังระลึกได้ว่าเออไอที่ทำไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันชั่วเป็นคุณประโยชน์หรือว่าให้โทษก็ยังดีเพราะสติ ที่เป็นไปภายหลังที่ได้คิดพูดทำแล้วมีบ่อยๆเข้าขณะคิดพูดทำมันก็จะพอระลึกได้ขณะคิดพูดทำพอระลึกได้บ้างมากขึ้นก่อนคิดพูดทำมันก็พอระลึกได้เมื่อบุคคลระลึกได้ทางเจริญทางเสื่อม ว่าทางนี้ควรปฏิบัติทางนี้ไม่ควรควรงดเว้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือเห็นตามที่ควรที่ถูกหรือตามธรรมพูดอย่างง่ายๆก็เห็นตามที่เป็นจริงได้คนนั้นก็จเจริญแต่ละบุคคลนี่จเจริญเพราะว่ามันไม่ไปในทางผิด จเจริญอย่างเดียวไม่พอมีความสันติสุขด้วยไอ้ที่มันไม่สันติสุขคือมีสุขทางโภคกะยะทรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ความสันติไม่มีความสงบไม่มีตัวเราเองก็ไม่สงบ จะคิดจะพูดจะทำก็กล่าวร้าวกระทบกระแทกให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายหรือเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างให้เดือดร้อนเสียหายอย่างนี้แล้วก็ตัวเองก็ไม่เป็นสุขคนอื่นก็ไม่เป็นสุขความสันติมันไม่มี ไม่ต้องไปถึงสังคมใหญ่อย่างประเทศชาติเอาแค่สังคมในครอบครัวถ้าว่าบุคคลที่อยู่ด้วยกันไม่มีสติก่อนคิดพูดทาหรือขณะคิดพูดทาหรือแม่เมื่อคิดพูดทาไปแล้วดีชั่วไม่รู้ ดีน่พอรู้ชั่วก็พอรู้แต่ตะแบงทำดือรร้อทำอย่างนี้แล้วก็ตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นอยู่ใกล้ชิดกันก็เดือดร้อนในครอบครัวต่อให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ขาดสันติความสุขที่ขาดความสุขทางกายแต่ขาดสันติสุขทางใจ ไม่มีความสุขจริงหรอกไม่มีนี่เอาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่หลวงตาไปในต่างประเทศด้วยก็ด้วยมองเห็นกว้างไกลออกไปว่าธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี่ดีเราก็เปิดสอนเปิดอบรมที่นี่แล้วก็ยัง อารธนาแจ้งข่าวแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศให้เข้ามารับการอบรมมาปฏิบัติเพื่อความสันติสุขของท่านตามควรแก่อัตาภาพตามควรแก่ฐานะสันติสุขตามฐานะของพระก็อย่างหนึ่งตามฐานะของสามเณรก็อย่างหนึ่ง ตามฐานะของผู้ครองเรือนก็อีกอย่างหนึง่งความจริงมันคล้ายกันแหละแต่มันต่างกันที่ระดับระดับของความสันติสุขแล้วก็ระดับของความประพฤติปฏิบัติที่จะให้เกิดความสันติสุขมันหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นแหละฝ่ายโลกหรือคารวาสผู้ครองเรือนก็หยาบหน่อย ละเอียดขึ้นมาก็อุบาสิาสกาละเอียดขึ้นมาอีกก็สามเณรละเอียดขึ้นไปอีกก็พระภิกษุนี่แหละความประพฤติปฏิบัติเพื่อความสันติสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จริงๆก็มีคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่ความหยาบความละเอียดประนีต ในวิธีการปฏิบัติและผลที่ได้รับแตกต่างกันเมื่อทำในประเทศเรามากพอสมควรแล้วก็มานึกเห็นว่าเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเรามีอยู่ถ้าพออนุเคราะห์ได้เราก็อนุเคราะห์อัตมาก็เลยเริ่มไปอนุเคราะห์ที่ประเทศมาเลเซียก่อนเป็นเวลาห้าหปีมาแล้ว เรียกว่าได้ผลดีชาวไทยในมาเลเซียตลอดทั้งข้าราชการสถานทูตและชาวมาเลเซียที่เป็นพุทธก็มีความสนใจมาศึกษามาปฏิบัติกันมากเป็นประจำนี่มาห้าหกปีแล้วถึงก็เปิดปฏิบัติสองวัด คือวัดแม่ลิ้วอยู่ใจกลางกรุระลำเปอือแล้วก็วัดพุทธไทยเชตวันอยู่ห่างมาหน่อยแล้วก็ส่วนที่พุทธวิหารของชาวศรีลังกาของพระศรีลังกานั้นเขาก็อาราธนาไปบรรยายไปสอนทุกครั้งที่หลวงตาไปที่นั่นที่นี่ใน ประเทศทางเอเชียนี่เราก็ทำอย่างนั้นแหละก็นึกต่อไปอีกประเทศอื่นนะ่ะก็มานึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่คนไทยก็อยู่เยอะคนลาวก็อยู่เยอะคนเขเมรก็มีเยอะยวนจีนแขกมีทั้งนั้นนี่จากประเทศ ทางเอเชียเราและชาวอเมริกันเขาก็มีหลายเหล่าหลายเผ่าพันธุ์เราก็มานึกว่าท่าใดเผยแพรธรรมะปฏิบัติของเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแบบหรือว่าตามพระธรรมพระวินัยของพระเถรวาดถือต้องเข้าใจนะักเรียน คำว่าพระเทราวาดเนี่ยพวกเธอเข้าใจนะพระนี่มีในโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริริพานแลว้วหลายร้อยปีแยกออกเป็นสองนิกายใหญ่คร่าวๆก็คือว่าฝ่ายมหายานนั่นไปทางด้านที่เบตจีนญี่ปุน่น เกาหลีเป็นต้นนี่เป็นพวกมหาญาณพวกนี้เพ่งเล็งที่การบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ก็คือบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์การปฏิบัติในศีลอาจจะย่อหย่อนกว่าพระทางฝ่ายเทรวาท มีข้อยกเว้นอย่างนโน้นอย่างนี้ทำได้ไปตามความเหมาะสมที่เขาคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ทำไปส่วนฝ่ายที่รักษาพระธรรมพระวินัยไว้มุ่งตรงต่อพระนิพพานความพ้นทุกโดยตรงโดยเร็วนี่ฝ่ายเถรวาดคือว่า ถือตามโอวาทของพระมหาเถระที่ได้สั่งสอนสืบต่อกันมาตรงตามพระธรรมพระวินัยก็รักษากันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายพระวินัยเรื่องของพระวินัยพระภิกษุก็ยังคงดำรงรักษาพระวินัย227ข้อเอาไว้ ส่วนทางมหายาณนั่นเขาย่อหย่อนไปเพื่อจะได้ประกอบกิจกรรมทางพระศาสนาที่จะบําเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะแต่ทางฝ่ายเราส่วนใหญ่ก็มุ่งตรงต่อการหลุดพ้นเป็นสําคัญทีนี้การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แหละที่เขาไม่คุ้นเคยเราก็จะเอาธรรมะเนี่ยไปเผยแพร่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำของเราได้สั่งสอนได้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็หลวงตาก็ได้เห็นแจ้งประจักษ์ในความถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้า แน่นอนแล้วจึงเผยแพร่ธรรมนี้ทั้งในประเทศทั่วประเทศแล้วก็เผยแพร่ออกนอกประเทศเริ่มที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ขึ้นไปขนาดนี้ก็ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้มีคุณประโยชน์มากแก่ชาวไทยในสหรัฐพวกญาติโยมทั้งหลายก็มากันเยอะ จริงอยู่ผู้ที่ไปสอนประเทศสหรัฐเนะี่ยที่ประเทศสหรัฐเนะี่ยมีหลายสายแต่ว่าของเราสายที่ปฏิบัติตามแบบวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนที่เข้าไปจริงจริงจังจั ง, จงก็คือหลวงตานี่แหละเข้าไปในระยะสามปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ก็มีผู้สนใจกันมากนอกจากนั้นหลวงตายังได้ไปช่วยอนุเคราะห์ตรงนี้สำคัญมากเธอทั้งหลายอาจจะไม่รู้พวกบรรดาลูกหลานของชาวไทยที่นั่นมันเป็นอเมริกันไปหมดแล้วกีริยาอาการอุปนิสัยใจคอมันเป็นไปตามเขาหมดแล้วทีนี้ในพระพุทธศาสนาของเรา ที่เข้าไปตั้งเป็นวัดอยู่ที่นั่นจึงพยายามจัดส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาและ ว, วัฒนธรรมที่ดีของไทยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีก็จัดทมส่งเสริมรวมทั้งการเรียนภาษาไทยให้ลูกหลานของชาวไทยในอเมริกาได้ศึกษา เ, าเรียน แล้วก็จะได้รู้จักความเป็นไทยความเป็นพุทธของเราดียิ่งขึ้นเขาก็ทำกันอยู่อย่างดีแต่เราไปเสริมในข้อธรรมะปฏิบัติให้มากขึ้นทางด้านศีลสมาธิปัญญาคือการเจริญภาวนาธรรมนี่ จะช่วยให้เขาได้รับประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรมที่ดีจะได้รักษาตนให้ดีแล้วก็เมื่อกลับมาเมืองไทยก็จะได้เป็นคนไทยที่ดีหรืออยู่ที่นั่นเขาก็ได้ดำรงชีวิตที่ดีเพราะว่าถ้าหลงไปแบบอเมริกันหรือแบบฝรั่งจริงๆนั้นความทุกข์ เดือดร้อนมีมากแต่เขาไม่รู้ตัวในเบื้องต้นไปรู้ตัวในเบื้องปลายก็สายซะแล้วเช่นว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ตันหาราคะก็ปันนั้นอารมณ์โกรธงุดงิดเอาแต่ใจไม่รู้บาปบุญคุณโทษก็ปัณ น, นั้นหลงไปสารพัดอย่าง ชั้นเลวก็หลงไปนู่นแหละยาเสพติดหรือการเที่ยวเตะการสนุกสนานลืมตัวลืมตนแบบชาวต่างประเทศเพราะชาวต่างประเทศเนี่ให้เธอเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอะไรที่ทําให้เขาสนุกได้ละเอาเลยอันนั้นจะดีจะชั่วไม่รู้ขอให้สนุกเข้าไว้เพื่อนสนุกทั้งวันถ้าสนุกได้แล้วก็ไอ้นั่นดีแต่ไอ้เรื่องที่จะให้มาสงบกายวาจาใจเพื่อความสันติสุขไม่รู้จัก มันเลยไปเกินกว่าที่จะไปพูดไปบอกเล่ามันจะมีบางคนที่สนใจมาศึกษาเท่านั้นแหละนี่แหละเราก็เห็นแก่ลูกหลานของเราไปช่วยแล้วอีกประการหนึ่งที่นี่ถ้าอย่างนั้นหลวงตาไปช่วยพวกฝรั่งมันทำไมการอยู่ร่วมกันเนี่ยในสังคมในประเทศเราก็ตาม ระหว่างประเทศก็ตามลูกหลานไม่เข้าใจไม่อย่างใครจะทำดีทำชั่วอยู่ที่ไหนมันกระทบกระเทือนถึงกันหมดเพราะว่าไอ้คนทำดีทำชั่วเนี่ยบางทีมันมีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางสังคมทางวัฒนธรรมทางการเมือง กระทบกระเทือนถึงกันหมดเธอตอนนี้ยังเด็กอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องหรือบางคนที่หัวใสหน่อยก็รู้เรื่องดีแต่ว่าโตขึ้นแล้วจะรู้อย่างบ้านเมืองเราเนี่เอาง่ายๆสิ่งหนึ่งซึ่งเลวร้ายก็คือรักสนุกถ้าแค่แบบไทยๆก็ไม่เป็นไร นี้ไอ้อนาตยธรรมของชาวตะวันตกหรือของฝรั่ง อ, อนาตยธรรมคือธรรมะที่ไม่เจริญให้แต่ความสนุกเพลิดเพลินและเอาแก่นสารสาระไม่ได้แล้วก็นําตัวลงไปสู่ความต่ําจิตใจระดับจิตใจก็ต่ําความประพฤติปฏิบัติก็ต่ําสามไอ้พันนั่นแล้วคนไทยเรารับไปอื้อซ่าเลยเดี๋ยวนี้ เด็กวัยรุ่นลรวก็รับเยอะอย่างนี้รับอย่างนี้ไปแล้วต่อไปถ้าติดนิดสัยอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีความโลภมีตัณหามีราคะความทยานอยากสูงเกินขอบเขตไอ้ความที่เป็นอย่างนั้นมีโทษยังไง ก็มีโทษว่าความตะเกียกตะกายเพื่อจะให้ได้มาสิ่งซึ่งเราต้องการให้มันสพอารมณ์อย่างดีเนี่ยต้องออกกำลังมากต้องใช้เล่กเทเพทุบายมันได้มาให้มากๆวิธีที่ชอบหรือวิธีที่ดีที่สันติพอจะได้กันเท่านี้ไม่พอใจต้องการแค่โน้น ไอเล่กเทเพทุบายต่างๆอุบายต่างๆก็นำมาใช้มันก็เป็นการประพฤติผิดศีลมากขึ้นไปทุกทีทุกทีถ้าไม่ได้เสียอกเสียใจเพราะมันทุ่มเทลงไปมากถ้าได้ก็ ต้องดูแลรักษาเกินเหตุใช้จ่ายไปในเรื่องที่ไร้สาระมากกว่าที่เป็นเรื่องที่เป็นแก่นสารเป็นเรื่องที่มีสาระสาธุชนกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสุสันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชะยะมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัด ราชบุรีในเรื่องเบญจศีลเบญจธรจรมซึ่งหลวงพ่อท่านได้มุ่งเน้นที่จะแนะนําอบรมเยาวชนผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการที่จะเติบใหญ่ขึ้นไปพัฒนาประเทศชาติเป็นผู้บริหารที่ดีที่มีคุณธรรมเพราะว่าถ้าเขาเหล่านั้นเติบใหญ่ขึ้นไปด้วยความรู้ความสามารถ และคุณธรรมแล้วย่อมจะพัฒนาสังคมประเทศชาติของเราให้ดําเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและที่สําคัญก็คือนําไปสู่ความสันติสุขคือความสุขแบบสันติความสงบเย็นด้วยศีลด้วยธรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมโดยเอาหลักธรรมคําสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้มาชี้ให้เห็นคุณเห็นโทษของการประพฤติปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเห็นโทษของการประพฤติผิดศีลผิดธรรมเห็นคุณของการตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องช่วยกันทั้งทางฝ่ายบรรปชิตคือพระสงฆ์ก็แนะนำธรรมะข้อปฏิบัติ หลังต่างๆเหล่านี้ให้ได้ศึกษาและทางฝ่ายผู้ปกครองคารวาสผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความอบอุ่นคอยแนะนำหยิบยื่นให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแก่นสารสาระและที่สำคัญก็คือทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไม่ใช่ว่าสอนเขาอย่างหนึ่งแล้วเราประพฤติปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง อย่างนี้ก็ไม่ได้ผลการสอนที่ดีนั้นจะต้องทำให้เป็นแบบอย่างให้ดูจึงมีคำที่โบราณกล่าวว่าการสอนมากมายนั้นสู้การทำให้ดูเพียงครั้งเดียวไม่ได้นี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ธรรมสุสันติได้นำเสนอธรรมะข้อเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเป็น หลักธรรมคำสอนขั้นพื้นฐานที่สาธุชนและเยาวชนควรที่จะน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของตนและสังคมโดยส่วนรวมวันนี้เวลาของธรรมะสุสติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจากกันอาตมาภาพข อ, อนำพุทธศาสนสุภาษิต ท, ที่มีปรากฏอยู่ในพระสุดตันตปิฎกคาถาธรรมบท พระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่17ความว่าจิตตังคุดตังสุขขาวหังแปลว่าจิตที่ระวังดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สำหรับปัันนี้ธรรมะส่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปและขอเชิญท่านผู้ฟัง ติดตามรับฟังธรรมบัญญาตนี้ในโอกาสต่อไปขอความจเจริญรุ่งเรืองในธรรมและความสุขความจเจริญจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร